ตอนจงอยู่ท่ามกลางความเยาะเยะ้ยเราเห็นแล้วเราจะมาพูดเพียงสองสามประโยคเท่านั้นจงอยู่ท่ามกลางความเยอะเยะ้ยถากถางจงอยู่ท่ามกลางความผิดหวัง